ขอความเจริญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่ลงประปวติญาณในวันนี้ก็จะพูดเรื่องสมาวาจาคือเจรจาชอบหรือพูดในทางที่ชอบก็ อ, อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าเวลาทมก็พูดเราทำได้ทำดีทำเป็นทำชอบเวลาพูดก็พูดได้พูดดีพูดเป็นพูดชอบคือชอบเนี่ยยุติด้วยเหตุผลและความดี มีวาจาเป็นหลักเป็นฐานคือไม่ใช่พูดเราเองเราตัต้งฟังลองสังเกตข่าวคราวที่เกี่ยวกับเรื่องจะสถาปนาภิกษุณีวงขึ้นมาในสังฆมณฑลก็ตั้งคนทั้งพูดได้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรพอใครอาศัยหลักเกณฑ์ยกเทียบเคียงตัวอย่างต่างๆให้ดูว่ามันทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ทำให้ กรวดด่าว่าเลยขณะสมเด็จพระสังฆราช ต, ต้องรับสั่งในที่ประสาทปริญญาของหมหาวจทยาลัาายมหากุรีรพติอะไรเดี๋ยวเรลเรื่องเราไปทาบไปหน่อยนั่นคือแสดงให้เห็นว่าการที่จะพูดจาอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่และเรื่องนี่นะก็บางเรื่องต้องขอเวลาเขาก่อน ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ไค้นควา้ายังไม่ได้ดูรายละเอียดในเรื่องแบบนี้เราก็พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหลักการพูดในความหมายของตรพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นวาจาที่ถูกต้อ ง, องนั้นจะต้องเป็นเรื่องจริงสองต้องเป็นธรรมสามต้องมีประโยชน์สี่คนฟังอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ได้ แต่ดูกาละดูเทสะใชหนอยแล้วก็พูดเรื่องราวเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าต้องได้ประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะผู้ฟังต้องได้รับประโยชน์จากการฟังเพราะเราพูดกับผู้ฟังเพราะผู้ฟังจะได้ประโยชน์อะไรนะจึงจึงเป็นคําตอบที่รอจากการพูดพูดของเราเนี่ยว่ามันผู้ฟังจะได้เกิดประโยชน์อะไรที่จริงโครงสร้างตรงเนี้ย พระเจ้าได้รับสั่งเมื่อส่งพระอรหันต์สาวก6กสิบรูปไปเผยแผ่ประส า, าสศาานี่มีข้อความบ่งบอกชัดเจนว่าเนื้อหาสาระในการพูดของคนเนี่ยก็คือพูดเรื่องอะไรพูดกับใครพูดอย่างไรพูดโดยวิธีใดใช้สื่ออะไรก็ว่ากันไปนะฮะที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องตอบไปได้ว่าผู้ฟังได้รับระโยน์อะไร จากการพูดของเราแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์ก็นิ่งไปอพูดไปสองไปเบีย้ยนิ่งเสียแต่มึงทองโบราณ น, นันวาเนี่ยแล้วก็ถูกต้องนะฮะก็เรื่องมางเรื่องถ้าไม่เกิดประโยชน์พูดทําไมเสียเวลาเปล่าๆป่วยการที่จะพูดเรื่องราวเหล่านั้นทิตตันบอกว่าบางครั้บางคราวนะฮะทิตตันสอนไว้ใน เป็นภาพเคยเห็นที่ภาพลิงสามตัวปิดปากปิดตาปิดหูแล้วก็มีผู้เขียนบรรยายเอาไว้ใต้ภาพว่าปากเป็นบูหูตะกล้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราวซึ่งก็หมายความว่ากำกับด้วยความเห็นความดำริดชอบควเห็นชอบเรื่องบางเรื่องเนี่ย ไม่พูดซะได้ก็ดีเรื่องบางเรื่องไม่ได้ยินซะบ้างก็ดีเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ดูซะบ้างก็ดีเพราะว่ามันต้องถามมันได้ประโยชน์อะไรฟังแล้วได้ประโยชน์อะไรดูแล้วได้ประโยชน์อะไรพูดแล้วได้ประโยชน์อะไรถ้า ไ, ไ, ไม่ได้แล้วไม่ได้เราพูดทำอะไรเพราะว่าการพูดในที่บางแห่ง บางครั้งบางคราวคนฟังเนี่ยมันมีพื้นฐานเหมาะสมที่จะฟังเรื่องระดับหนึ่งแต่เราไปพูดเรื่องอีกระดับหนึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่บางทีเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเหตุการณ์แล้วในพระศาสนานี่เราจะเห็นว่าเป็นกระแสนะฮะกระแสที่เกิดขึ้น อย่างคราวหนึ่งเมื่อเกิดอันตรายเกี่ยวกับศ า, ศาสนาคริสต์ปศสังหาร124เป็นต้นมาเนี่ยหลายปีนลฮะพูดกันจังเลยอธิบายชี้แจงหาเหตุผลหาเอกสารหลักฐานต่างๆมาประกอบเพื่อสื่อสารใหเกิดนะ ค, ความเข้าใจตอนนี้เรื่องการไปรู้การศึกษาค่อนข้างจะฮิตนะฮะแต่ยังไม่ถึงกติดอันดับมากมันอาจจะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ในส่วนต่างๆของประเทศก็ได้นะฮะเพราะว่าการจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าพานะค่าโดยเฉพาะค่าอาหารเนี่ยเลียงดูกันเนี่ยแต่ตลอดถึงค่าพานะของวิทยากรค่าน้ามันรถอะไรตั้งแตนมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็มีค่าวที่เห็นชัดเจนนะฮะว่าพระเริ่มจะสนใจ เพราะอะไรเพราะว่าอันรายมันใกล้ตัวฮะไฟมันกำลังจะไหม้บ้านกันเลยก็พื้นติมตัวกันหน่อยเรื่องวาจานั้ง <c oughs> ในพระบาลีพุทธวจนะสรงแสดงไว้โดยนัยะต่างๆถ้าความเคยสังเกตนะฮะอวัยวะส่วนศรีรษะคือจากคางขึ้นไปเนข้างบนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญกับส่วนหัวก็เราตองหัวขาดกระจบแล้ว อย่อื่นขาดอย่างพอไหวนะถ้าหัวขาดก็จบครับมีอวัยวะสําคัญสําคัญมีหูสองหูมีตาสองตามีจมูกสองรูเอ๊ะมีปากปากเบีย้ยแต่แหมเป็นตัวยุ่งที่สุดเลยปากในการบริหารปากในการนําเรื่องปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเห็นไหมเป็นปัญหาภูเขาอะไร แกกันไม่หวาดไม่ไหวไม่วา่วานในส่วนใดของโลกมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องทั้งนั้นและปากในการเปลิ่งออกเรื่องปากกลายเป็นเรื่องใหญ่ในส่วนของศีรษะที่จริงก็สำคัญด้วยกันนะแต่เทียบเคียงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าปากเป็นสาคัญที่สุดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกายแต่ต้องแยกออกมานะากายว่าใจเห็นไฮะปาก ในแง่ของวาจาเนี่ยแยกมากายวาจาใจเลยปนส่วสีลนี่ยมันจะคุ่มที่กายกับคุมที่วาจาแต่ก็ามาจากใจนะต้องมีเจตนามีความจงใจมีความสำรวมระวังมีการหดเว้นมีการไม่ลงละเมิดมันต้องออกมาจากใจแต่ว่าเป็นความสำคัญทรงแสดงเอาไว้ในที่ต่างๆเช่นหัรยัสะสติสีวาจาไอ้นี้เราคุณนะครับเป็นการแสดงในเรื่องฉดก คือว่าจะให้เป็นเช่นเดียวกับใจใจคิดยังไงคุณก็พูดอย่างนั้นพูดไปตามที่คิดแต่ถ้าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าพูดมันอันนี้เป็นการประลบถึงคนกลุ่มหนึ่งนีฮะไปขอดอกบัวจากคนจมูกบี้มันพูดรกยอปอปั้นถเกินเหตุเกินผลคล้ายว่าพอให้ดอกบัวขาวและจมูกอย่าหายบี้ แต่คนหนึ่งแกก็พูดตรงๆแกว่าแต่คุณจะให้หรือไม่ให้ก็ตามานะจมูกคุณก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือพูดจากใจอ่ะไม่ต้องประจบสอพลอไม่ต้องป้อยอจนเกินเหตุเกินผลไปทำยังไงว่าวาจากระจเนี่ยมันเป็นสื่อซึ่งกันเล่กัน เวลานี้เรามีคําพูดอยู่คาหนึ่งเขาเรียกว่าภาษาดอกไม้เป็นภาษาทางการเมืองที่จริงปุพะพานีเนี่ยภาษาดอกไม้เนี่ยมันก็มีนะฮมธุรพานีปุาพะพ า, า, า, า, านีภาษาดอกไม้ภาษาหวานภาษาหอมเนี่ยพูดหอมพูดหวานเนี่ยแต่เวลานี้มันมาใช้ทางทางการเมืองคือรับคําแล้วไม่ทําตามที่พูดเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะว่า คนเท็จนี่น่าเฉยตาเฉยที่น่ากลัสุดๆบางครั้งบางคราวเราไม่นึกว่าคนขนาดนี้จะเท็จได้มันก็เท็จเอาน้าดีๆอย่าในกรณีของสอปสนะฮะคณะปฏิรูปการศาึกษา พูดกันเป็นดิบดีตกลงกันประชุมกันเรียบร้อยแล้วว่าคณะสงฆ์จะแยกขึ้นมาตั้งเป็นสํานักงานสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติในกํากับนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเขายังเอาข้อความแบบเนี้ไปลงไว้ในพระราชบัญญัติเราผู้เริงาศาสนาสบัดกลาง ว่ า, าศาสนสมบัติกลางนั้นคุณจะโอนย้ายไปเป็นสมบัติของรัฐไม่ได้สมบัติองค์กรที่ตั้งกันใหม่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรมบัติที่เขาอุทิศถวายพระาศาสนาส่วนสมบัติที่กรมกองอื่นที่คุณจะย้ายมันย้ายได้เพราะว่าเป็นงบ ป, ประมาณแผ่นดินมากฎประเภทกันนะมีคนไปถามนะด็อกเตอร์นะน่าเฉยแต่เฉยโกหกน่าเฉยแเฉยเลยเวลานี้ออกไปแล้วครับไม่มีแล้วปรากฏว่าย้ายมาตรานี้จากมาตราหกสบสามมาอยู่มาตราที่หกสิบห้า มันหดทูนะฮะเราพูดกับคนชั้นนี้อย่งางโกหกนี่ละลก็โอ้หดทูเลยว่าเอ๊ะทาไมมันเป็นอย่างนั้นนะคนบ้านเราเลยเนี่ยว่าจากระใจเนี่ยมันพูดคนละอย่างปากปลาใสใจเชื้ดคอปากหวานก้นเปรี้ยวมือถือสาปากถือศีลมันไม่เป็นนั่นเดียวกันนะทําให้เข้าใจยากจนมีท่านพูดเอาไว้ว่าสัตว์มนุษย์เนี่ยเข้าใจยาก ไม่เหมือนกับสัตว์เรีรฉานพูดง่ายนายเกสีเนี่ยถ้าเป็นคนฝึกมานะฮะแล้วบอกว่าสัตว์ที่มันพูดง่ายไม่เข้าใจง่ายฝึกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็รู้กันง่ายๆแต่ว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์โลกที่แปลกแต่จริงคือสามารถพูดอย่างทําอย่า ง, ค, าง ค, คิดอย่างเนี่ยแกคิดอย่างนี่ยแพูดอย่างเนี่ยแกทำอย่างเนี่ยได้ เพราะฉะนั้นก็สอนบาหันดยัสสสีวิจารวิจาร์ต้องเป็นเช่นเดียวกับใจคุณคิดยังไงคุณพูดอย่างนั้นแล้วคุณต้องรับผิดชอบเพราะว่าการพูดเนี่ยสําคัญอย่างยิ่งว่าพูดแล้วเราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดเนี่ยเราต้องเป็นนายของคําพูดต้องเลือกเฟ้นเรื่องที่จะพูดวิธีที่จะพูดจะพูดแล้วเนี่ยคําพูดมันลิ้นผ่านคอคําพูดมันเป็นนายเรา จะียอจะเป็นพันธะที่จะต้องรับผิดชอบต่อคำพูดประโยคนี้บางครั้งบางคราวก็ตายด้วยคำพูดของตัวเองว่าเรื่องวาจาก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในสรดกเช่นเดียวกันในการนิบาทเป็นกันก็รับสั่งว่าไอ้ท่านแสดงว่าเปลง่งวาจางามก็ยังประโยชน์ไําเร็จคือบางทีเนี่ย อย่างยกตัว อ, อย่างว่าคนคนหนึ่งนะฮะไปขอไปขอเนื้อจากนายพรานเรียกพ่อบางเรียกพี่บางเรียกอะไรตร ะ, ะไลต่างๆนะฮะในคนหนึ่งเขาเรียกเพื่อนก็เรียกเพื่อนอนั น, นนี้ชอบใจเพราะคนเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันขาดเพื่อนไม่ได้เลยก็ให้เนื้อทั้งหมดให้เนื้อถวนดีๆทั้งหมดนะฮะแกคนที่เรียกเพื่อน มันเปล่งวาจา ง, งามมันเป็นการสะท้อในให้เห็นถึงคุณธรรมภายในใจเพราะว่ามันออยตาหวานลิ้นและสิ้นซากแต่ลมปากวาหวานหูไม่รู้หายอย่างที่ว่าเนี่ยจึงต่หากว่าการพูดของเราเนี่ยเรียกว่าพูดสร้างสรรค์ พูดและจะเกิดมีการสร้างสรรค์ในการพัฒนาสร้างความเข้าใจอันดีกันงานลองตั้งเกต ด, ดูพระราชดำรัสสองครั้งนี่ถือว่าเป็นอมตะเลยครั้งหนึ่งก็คือเรื่องสิบสี่ตุลาเนสิบกตุลาจะดสิบสี่ตุลาใช่ใช่สิบสี่ตุลาหนึ่งหกแล้วก็ตอนพิษภาธมินเป็นพระราชดำรัสสั้นๆมาก แต่ยิ่งใหญ่มากๆคือสามารถจะพลิกสถานการณ์ซึ่งกำลังจะเกิดจะระจนให้กลายเป็นเันหนึ่งเงินเดียวกันได้นั่นคือวาจาภพโรแล้วก็เหมาะเจาะแก่การละเทศะกลุ่มคนบุคคลที่พูดในขณะนั้นสถานการณ์อย่างนั้นสาคัญปัญหาว่าใครพูดอะพูดอย่างนี้ก็เถอปัญหาว่าใครพูดอะ ถ้าไม่มีบารมีอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆนี่พูดไม่ได้นะแต่ถ้าคนที่มีบารมีเนี่ยก็พูดอะไรแล้วก็พูดได้และสังคมก็ยอมรับเพราะจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในชาดกเหมือนกันท่นบอกว่ามุตรวาตปฏิปา่าปิดกัางคนเปล่งวาจาชั่วนี่จะเดือดร้อนและลิ้นพันคออย่างที่ว่าเนี่ยพูดชั่วไป มีท่านผู้หนึ่งประสบวิบากกรรมที่พูดคำหยาบชอบด่าทอชอบใช้คำหยาบพอเปล่งวัาจานี่ปากเหม็นหึงมันอะไรกมันเหม็นเหม็นาะคนปากเหม็นที่มันมีที่จริงเนี่ยเขาปากมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่า ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะไม่มีปัญหาในด้านภายในแล้วไม่มีปัญหาเรื่องบิบากกรรมแล้วเนะี่ยมันก็ไม่ถึงกับเหม็นเนะ่ยตัวก็มีการจําระล้างมีการแปลงฟันมีการบริหารปากอยู่แต่บางคนบางคนก็ปากเหม็นมันเป็นวิบากกรรมที่คนเหล่านั้นได้กระทาไว้ตัวที่จริงก็เห็นกันจะจระเห็นก็นจะจระในที่นั้นนั้ บางครั้งเราได้ยินข่าวคราวจนถูกประชาท ช, ชนรุมประชาทันเพราะว่าพูดไม่ดีปากเสียถามว่าทาไมปากเสียส่วนมากคนจะโกรธนะที่ปากไม่ดีเนี่ยจะพูดด้วยความโกรธท่านบอกว่ารุดถัดสะบรุษาวาจาคนโกรธเนี่ยวาจามันจะหยาบเพราะอะไรเพราะว่าใจมันหยาบใจโกรธมีใจที่หยาบ พระท่านบอกว่าความโกรธเนี่ยมันมีโทษมากแต่ว่าคลายได้เร็วพี่กว่าความรักความรักกระจุมกระจิ๋มนะฮะความรักความเมตตาเนี่กระจุมกระจิม๋มตะนุถนอมอบอ้อมอเอือเฟื้ออาธรวงใยประคบประมงมเลยทีเดียวแต่โทสะไม่ได้ร้ายกะมีความรุนแรงแล้วก็ท่านก็นแสดงให้เห็นถึงว่า อภูตวาดีในอย่างอุปจิติอุเปตินะครับคือคนพูดพูดไม่จริงเนี่ยยะเข้าถึงนรกนะมีคนเป็นกันมากนะที่ตกนรกเพราะพูดเท็จเป็นอย่างเดียวยังนึกอยู่นะยังนึกอยู่กับคนเท็จกันจังไว้แต่เนี่ยตายแล้วไปเกิดกันที่ไหนมั่งก็ไม่รู้ที่มันน่าสังเกตก็คือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยแม้กิจกรรมด้านศาสนา ย่งเทศกันน่าเฉยตาเฉยแต่บางทีเทศเป็นกขบวนเลยนะเทศกันบวก ล, ลูกศิษย์ก็เทศต่ออาจารย์ก็เทศลูกศิษย์ก็เทศเทศต่อกันเป็นแถวเลยแล้วคนก็ He os, เฮโลสารภาไปขึ้นมีวิพระดังก็เป็นข่าวข่าวตังเกตรดนะแล้วเราถ้าไปอ่านเอกสารอ่านหนังสืออ่านใดๆเนี่จะเห็นว่ามันเทศเยอะเลยแต่ว่าพระอื่นเนี่ยเขาไม่อยากพูดเท่านั้นเอง เรื่องของเขาเรื่องกรรมของเขาแม้ว่าการตามความจริงไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่มันพูดยากเพราะว่าถ้าเราคื้นพูดขึ้นไปเนี่ยพวกนี้มันเหมือนกับผู้ทรงเจ้าขาผีนะั้นลูกช้างมันเยอะหรือกลุ่มผลประโยชน์มันเยอะอาตมาเคยเตือนพระดังองค์หนึ่งดังมากแค่นั้นลูกศิษย์มันโปรโมดมันเชียร์จนอุตลุดไปหมดเลย โอยเป็นมหาโยคียลงมาจากเขาอีบานไลอะไรไปกันไปใหญ่เลยพอดีเจอกับเขาก็ตือนต่อหน้าลูกศิษย์แลบอกคุณเนี่ยเป็นอย่างที่คุณเป็นะคุณเป็นยังไงก็แสดงตามที่คุณเป็นจริงพูดตามที่คุณเป็นจริงแสดงตามที่คุณเป็นจริงย้ายลูกศิษย์มาเราไปเชย ไปยกย่องจนเกินเหตุเกินผลเหมือนกับเทพเจ้าผลรุ่ยท้ายก็พังไปในที่สุดเพราะเรื่องวาจาที่จริงเนี่ยเราลองสังเกตว่าคนสมัยก่อนว่าไม่ตั้งก่อนนานเท่าไรหรอกไอ้คำโครงที่ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียสมบัติอย่าให้เสียวาจามันยิ่งใหญ่มาก ยอมตายเลยแต่ไม่ยอมให้เสียคำพูดหรือบทคำโครงที่ว่าเสียศีลเสื่อมหนศักด์ไว้วงหงเสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งำลำรงความสัตว์ไว้นาเสียสัตว์ไปเสียสู้ชีพม้อยมรณาอันนี้ที่จริงเป็นสัต์จักปฏิญาณนะะเป็นสัจจะของทหารที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาประมากษาัตริย์ เมืนถึงคราวที่จะต้องปกป้องสถาบันเนี่ยตายก็เป็นตายมันใช่งงมันก็ตายอยู่แล้ ว, วนะคนเราไม่จะเอาอะไรกันใดๆเพราะแนวที่เราพูดบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อนอนุสรนึงธรรมะให้สละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักธรรมะเอาไว้เนียธรรมะในที่นี้หมายถึงสัจจะปฏิญาณนะคร เป็นคํากล่าวของท่านสุตโสมของพระเจ้าสุตโสมกล่าวกับหมาจวนบริษัทในสุตโสมชาดกคือท่านเป็นอาจารย์คล้ายๆกับอาจารย์พี่เลี้ยงของพระเจ้าบริษัทต่อมาพระเจ้าบริษัทเกิดเพี้ยนอะไรมันกินเนื้อมนุษย์ก็ขอร้องเลิกไม่ยอมเลยต้องขับออกราชบัลลังก์จากราชบัลลังก์ แล้วเกิดไปใช้ตัวเก่งมากนะฮะเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่มากไปจับพระราชามาเป็นจาโหนมาเพื่อจะมาเส้นถวายเทวดาประจำต้นใจพระเจ้าสุตโสมทรงทราบเข้าก็ไปขอร้องแล้วก็ให้ทุกอย่างให้พรสี่อย่างอย่างที่สี่เนี่ยด้านขอไว้เลือกกินคนกินเนื้อคนจนบริษัทไม่ยอม เขาไม่ยอมไม่ได้อ่ะให้สัจจวาจาแล้วมไม่ยอมได้ไงบัณฑิตเนี่ยเขาต้องตายเป็นตายนะถ้าให้วาจาแล้วสัจจวาจาก็ต้องทําไม่ได้นะเพราะนั้นก็กล่าวข้อความที่บ้าเนี่ยบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสรน ถ, ถึงธรรมะคือสัจจปฏิยานที่ให้ไว้เนี่ยว่า จ, จะให้พรสีประการ ให้สลัดทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักษ์ธรรมะเอาไว้เพราะความเชื่อเนี่ยคนต้องเห็นโทษของมุสาวาะเห็นคุณของสัจจาวาจาเห็นไหมโทษของมุสาวาตในแสดงไปยนตกนรกแล้วก็ในระดับอัตกถาเนี่ยยังแสดงโทษของการละเมิดศีลเหล่านี้ไว้เป็นดันั้น เนื้อการต่อไปเมื่อถึงศีลข้อนั้นๆเนี่ยจะนํามาให้ดูว่าท่านแสดงไว้อย่างไงบ้างเพราะอะไรเพราะว่าสัมมาเนี่ยเสัมรรมาวาจา j a สัมมากรรมฐานสัมมาชีวะก็คือศีลแล้วก็ศีลห้าข้อนั่นแหละก็ไม่ใช่ศีลไหนหรอกศีลห้าข้อนั่นแหละสัมมาสีวะก็คือศีลข้อที่สองสัมมาวาจาก็คือศีลข้อที่สี่ สมาการตาก็คือหนึ่งสองสามก็ตกลงว่าคือสีนั่นแหละแต่ว่ามาสอนในแง่ของอริยมตรตในส่วนที่เป็นศีและสิกขาท่านบอกว่าความเป็นผู้สะอาดจะพึงทราบได้โดยถ้อยคําคือการพูดเนี่ยมนุษย์เนี่ยดูที่ถ้อยคําอาการพูดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นการแสดงบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าสําราก อย่างคำเพื่อเจร์ทั้งหลายเนี่ยโบราณน่ยท่านเรียกว่าสำรากเพื่อเจร์ไร้สาระไม่ได้เรื่องอะไรนะเพราะงั้นโบหานคําพูดของคนเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนจิตใจอย่างไงมีความสะอาดหรือไม่สะอาดจึงรู้จักถ้อยคําที่เขาพูดวัานี้ใส่ใจคอก็เป็นยังไงนะอาจจะพูดคํำสองคำก็อาจจะสำรวมระวังโดยปล่อยพูดบ่อยๆมือถือก็ออกมาเนี่ยเรียกออกลายมาได้ วันคุณของวจีสุจริตกับโทษของวจีทุจริตต้องประจักภายในจิตและศีลข้อเนี้ยคือสัมมาวาจาก็ได้แก่สีข้อที่สี่เนี่ยที่จริงเป็นกุศลกำหนดข้อที่สี่นะฮะจึงจะบังเกิดขึ้นได้ต้องฟังทนายแต่หลวงพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี